เจรวญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรรณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาหาความรู้จากพระพุทธศาสนาที่เปี่ยบเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยสูงที่สูงสุดเพราะว่าไม่มีมหาวิทยาลัยใดในโลกนี้ที่จะสามารถให้ความรู้ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ แกผู้ศึกษายิ่งกว่าพระพุทธศาสนาเพราะว่าความรู้ในทางพระพุทธศาสนานี้เป็นความรู้เพียงอันเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ผู้ได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้เอาตัวรอดได้คือได้รอดพ้นจากบ่วงของกองทุกข์ทั้งหลาย บ่วงของการเวียนว่ายตายเกิดมหาวิชาลัยต่างๆในโลกนี้จะยิ่งใหญ่จะวิเศษขนาดไหนก็ตามแต่ความรู้ที่ได้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยเหล่านี้เป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะว่าจะไม่สามารถที่จะยกตนให้หลุดพ้น จากความทุกข์ต่างๆได้เลยถึงแม้จะจบเป็นญาติเอกมีความรู้ในเรื่องอะไรต่างๆในโลกนี้สามารถสร้างเจราวจสร้างยานอาวกาศสามารถส่งยานอาวกาศไปค้นควา้าไปหาอะไรต่างๆนอกโลกนี้ได้ก็ตามแต่ความรู้เหล่านี้ ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจหรือป้องกันความทุกข์ภายในใจไม่ให้เกิดขึ้นมาได้เลยไม่ว่าจะจบระดับป ร, ริญญาระดับไหนก็ตามคนจบร ะ, ระดับปริญญาเตก็ยังมีความทุกข์อยู่จบป ร, ริญญาโทก็ยังมีความทุกข์อยู่จบป ร, ริญญาเอกก็ยังมีความทุกข์อยู่ พาะวิชาเหล่านี้ไม่ได้เข้าไปสู่พระรคฐานหรือต้นเหตุของความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกทั้งหลายได้นั่นเองมีความรู้ของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเพียงอันเดียวเท่านั้นที่เข้าถึงรากเข้าถึงเหตุถึงผล ของความทุกข์ได้และเมื่อได้เข้าถึงรากก็สามารถถอดถอนรากของความทุกข์ทั้งหลายได้นี่แหละคือความวิเศษของพระพุทธศาสนาที่นานานจะเกิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งให้เป็นที่พึ่งของสามโลกเพราะเวลาปรากฏมีพระพุทธศาสนาขึ้นมาแต่ละครั้ง สัตว์โลกนี่ก็สามารถหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้กันเป็นจำนวนมากมายพอไม่มีพระพุทธศาสนาปับ๊บก็จะไม่มีใครสามารถเล่นรอดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยถ้าเราจะเปรียบเทียบกองทุก ของการเวียนว่ายตายเกิดก็เหมือนกับเป็นเรือนจําเป็นที่ขังนักโทษทั้งหลายเอาไว้นานๆเขาจะเปิดประตูขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเปิดโอกาสให้นักโทษที่อยากจะออกจากเรือนจําสามารถออกได้ถ้านักโทษคนไหนฉลาด รู้ว่าตอนนี้มีประตูเปิดให้ออกแล้วก็จะรีบออกกันเลยฉันใดกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่เรียกว่าสังสารวัตรนี้ก็เป็นเหมือนเรือนจำดีๆนี่เองที่กักขังสัตว์โลกอย่างพวกเราให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่มาอย่างยาวนาน และจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามาเปิดประตูตให้สัตว์โลกได้เล่นลอดออกจากเรือนจำอันนี้ไปสัตว์โลกก็ต้องรู้ว่าตอนนี้มีประตูตเปิดให้ออกแล้วถ้าไม่รู้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับนักโทษ ถ้าไม่รู้ว่าตอนนี้เรือนจำเขาเปิดประตูให้ออกไปสู่อิสระภาพถ้าไม่รู้ก็จะไม่ได้ออกไปเพราะมัวแต่วุ่นวายอยู่กับชีวิตที่ตนเองเกี่ยวข้องอยู่ในแต่ละวันพวกเราก็เหมือนกันพวกเรานี้เป็นเหมือนผู้ที่จูจกจองจําอยู่ใน เรือนจำแห่งการเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้เราจะรู้กันหรือไม่ว่ามีพระพุทธเจ้ามาเปิดประตูเรือนจำให้พวกเราได้เล็ดลอดออกไปได้แล้วถ้าเราไม่พบกับพระพุทธศาสนาหรือพบกับพระพุทธศาสนาแต่ไม่สนใจที่จะศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า พวกเราก็ยังจะไม่รู้เหมือนคนบางคนที่มาวัด น, นี้มาโดยที่ไม่ได้มีความตั้งใจที่อยากจะมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเพียงจุดทูปเทียนกราบสักการะบูชาถวายของต่างๆให้แก่พระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็ขอรับพรแล้วก็ขอกลับบ้าน นี่คือเป็นเหมือนกับคนที่ไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนามีของดีให้กับตนมาก็เพียงอยากจะได้คำอวยพรเพื่อจะได้ให้เกิดความสบายใจว่าชีวิตของตนนี้จะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปประโยชน์ที่เลิศที่ประเสริฐที่นานๆานจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง ก็จะไม่ได้รับไปเพราะไม่สนใจที่จะฟังเทศฟังธรรมที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะบอกชี้ทางให้รู้ว่าตอนนี้มีประตูเปิดแล้วประตูออกจากเรือนจำได้มีการเปิดขึ้นมาแล้วโดยพระพุทธเจ้านานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาเปิดประตูอย่างนี้สักครั้งหนึ่ง พอรู้แล้วผู้ที่มีความศรัทธาความเชื่อก็จะรีบค้นคว้าหาประตูนี้เลยและพอพบประตูนี้ก็สามารถเลื่อนลอดออกจากเรินจำแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เล่นลอดออกจากกองทุกข์ต่างๆได้ดังนั้นการมา วัดหรือการมาพบกับพระพุทธศาสนานี้เป้าหมายที่แท้จริงควรจะไปที่การศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนเพราะก่อนที่เราจะทําอะไรให้ถูกให้ได้รับคุณประโยชน์อันสูงสุดได้เราต้องศึกษาพระธรรมคาสอนก่อนเหมือนกับเวลาที่เราได้เครื่องจัก เครื่องยนต์หรือรถยนต์มาใหม่ๆถ้าเราไม่เปิดเครื่องมือไม่เปิดคู่มืออ่านดูเราจะไม่รู้ความสามารถของรถยนต์ที่เราได้ซื้อมาใหม่ว่ามีความสามารถอะไรเป็นพิเศษบ้างเราก็จะใช้รถไปแบบไม่ได้เต็มสมรรถภาพใช้ไปตามที่เราจะรู้คือขับไปไหนมาไหนได้เท่านั้นแต่ความ คุณสมบัติที่พิเศษของรถถ้าเราไม่ได้อ่านหนังสือคู่มือเราก็จะไม่รู้และเราจะไม่ได้รับประโยชน์เสียเงินไปเปล่าเปล่าเหมือนกับซื้อรถที่ไม่มีคุณสมบัติพิเศษอะไรเพราะว่าจะมีหรือไม่มีถ้าเราไม่รู้มันก็เหมือนกับไม่มีนั่นเองฉันใดาการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา แล้วเราไม่ให้ความสนใจที่จะศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็จะไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนานี้มีอะไรดีๆให้กับเราเราก็จะได้เพียงแต่สิ่งที่เราอยากจะได้ซึ่งเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นมาทำบุญใส่บาตรหรือมากราพระจุดธูปเทียนสามดอก แล้วก็อธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอย่างน้อยก็ได้ความสบายใจได้กำลังใจว่าอย่างน้อยก็ได้ขอแล้วจะได้ไม่ได้ก็สุดแท้แต่บุญแต่กรรมแต่นี่เป็นเพียงผลประโยชน์เพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองถ้าจะเปรียบเทียบกับรางวัลของ ของฉลากกินแบ่งฉลากกินแบ่งก็เป็นเหมือนเลขท้ายสองตัวสามตัวนี้เท่านั้นเองจะไม่ได้รับรางวัลใหญ่เช่นรางวัลที่หนึ่งได้ถ้าไม่ตรวจลอตเตอรี่เพียงแต่คอยฟังดูว่างวด น, นี้เลขท้ายสองตัวสามตัวออกไกลมาพอรู้ว่าถูกก็ไปขึ้นเงินทั้งๆที่ทลอตเตอรี่ของตอนนั้นอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้แต่ไม่รู้ กลับไปขึ้นรางวัลแค่เลขท้ายสองตัวสามตัวคนที่รับแรกเขาก็ยิ้มสบายไปเลยว่ามาแล้วพวกตาบอดพวกคนโง่รางวัลที่หนึ่งไม่เอาจะขอเอาแค่เลขท้ายสองตัวสามตัวเพราะว่าไม่สนใจที่จะเปิดดูรางวัลต่างๆไม่ตรวจดูรางวัลต่างๆ ต, ต, ตั้งแต่รางวัลที่หนึ่งลงมาขอดูแค่สองตัวกับสามตัวเท่านั้นเอง ถ้าถูกก็ไปขึ้นเงินถ้าไม่ถูกสองตัวสามตัวก็ทิ้งขยะไป ท, ท, ทั้งๆที่ลตตอตตารี่ใบนั้นอาจจะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ก็ได้นี่เพราะว่าไม่สนใจที่จะตรวจสอบดูรางวัลต่างๆชั้นใดพระพุทธศาสนาก็มีรางวัลหลายระดับด้วยกันรางวัลระดับความ พอใจความสบายใจก็มีรางวัลที่สูงกว่านั้นก็มีรางวัลที่จะป้องกันไม่ให้เราต้องไปเกิดในที่ไม่พึงปรารถนาก็มีรางวัลที่จะพาให้เราไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็มีถ้าเราไม่สนใจที่จะศึกษาเราก็จะไม่รู้จักวิธีที่จะรับรางวัลต่างๆเหล่า น, นี้ เราก็จะเอาแต่เลขท้ายสองตัวสาตัวนี้เท่านั้นทุกครั้งมาวัดก็จะมาตั้งจิตอธิษฐานขอนน่นขอนีนอนนอนน่ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ล่ะขอไว้ก่อนได้ก็ดีใจไปไม่ได้ก็คิดว่ายังไม่ถึงเวลาก็กลับมาขอใหม่ก็จะได้แต่ของเหล่านี้ไปซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ได้ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็เหมือนกับการได้รางวัลได้ท้ายสองตัวสามตัวเท่านั้นไม่ได้รางวัลที่หนึ่งดังนั้นขอให้เราจงพยายามพุ่งเป้าไปที่การศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นคำสอนที่ไม่มีอะไรไม่มีคำสอนใดในโลกนี้เหมือนเพราะว่าไม่มีคำสอนใด ที่จะสามารถนำพาจิตใจของพวกเราให้หลุดพ้นจากวัตฏะสงสารนี้ได้วัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เลยแต่ถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้อย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าจนได้เล่นลอดหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วเป็นจนํานวนมากกลายเป็นพระอริยสงฆ์สาวกเป็นสังฆรัตถนะเป็นที่พึ่งที่สามของพวกเราพวกเรานี่มีที่พึ่งอยู่สามส่วนด้วยกันที่พึ่งอันแรกเรียกว่าพุทธังสารนังกัจฉามิ คือมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่พึ่งอันที่สองก็คือธรรมังสารนังกฉามิคือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พึ่งอันที่สาก็คือสังฆังสารนังกฉามิคือพระอริยสงสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆสามารถเป็นครูเป็นอาจารย์ สั่งสอนผู้ที่ไม่รู้แทนพระพุทธเจ้าแทนพระธรรมคำสอนได้ตอนนี้พวกเราไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่เราจะเพิ่งได้ก็มีเหลืออยู่สองส่วนคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจะเลืกไว้ในพระไตรปิฎกที่เพึ่งอันที่สองที่ยังมีเหลืออยู่ ก็คือพระสุ ป, ปฏิปันโนพระาอาริยสงสาวกทั้งหลายผู้ที่รู้จักการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็เหลือที่เพิ่งสองที่เพิ่มนี้เท่านั้นถ้าเราไม่พิ่มที่เพิ่งทั้งสองนี้เราก็จะไม่รู้จักวิธีของการปฏิบัติเพื่อที่จะทาให้เรา ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยดังนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราอยู่ใกล้ที่พึ่งอันไหนถ้าเราใกล้พระธรรมคำสอนเช่นใกล้หนังสือของของพระพุทธเจ้าเราก็หยิบมาอ่านกันเช่นถ้าเราสามารถเข้าไปอ่านพระไตรปิฎกได้เราก็หยิบพระไตรปิฎกมาอ่านมาศึกษา แต่คําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคําสอนที่มีจํานวนมากมายสําหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาพอเห็นหนังสือเต็มตู้ก็อาจจะเกิดความท้อแท้ขึ้นมาก็ได้พราคิดว่าจะต้องอ่านหมดทั้งตู้นี้เลยเถิอถึงจะรู้ว่าควรที่จะปฏิบัติอย่างไรแต่ความจริงแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ ถึงแม้ว่าจะมีเต็มตู้อยู่ก็ตามแต่เนื้อหาสาระนั้นมีเหมือนกันคือสอนวิธีดับความทุกข์ขั้นต่างๆถ้าเราได้พบกับพระอริยสงสารง ก, <c oughs> ก็จะถือว่าเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะว่าท่านจะสามารถสอน ในสิ่งที่เราควรจะรู้ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอ่านหนังสือทั้งปไตยพิดกสอนเรื่องที่เราควรจะปฏิบัติแรกที่เราปฏิบัติได้แล้วพอเรานำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับผลทันทีดังนั้นจึงมีการนิยมที่จะศึกษาจากพระ อ, อริยสงสารว ก, กัน มากกว่าที่จะศึกษาจากพระไตรปิฎกเพราะว่ามันง่ายกว่านั่นเองไปฟังเทศฟังธรรมกับพระสุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีไม่ดีอาจจะบรรลุมรรคผลขึ้นมาในขณะที่ได้ยินได้ฟังเลยก็มีเหมือนกับในสมัยพระพุทธการที่มีผู้ได้ยินได้ฟัง พธรรมคำสอนจากพ่อโอทของพระพุทธเจ้าเลยพอฟังได้เพียงไม่กี่ประโยคก็บรรลุได้เลยนั่นแหละคือความแตกต่างระหว่างการศึกษาจากพ่พอธรรมคคำสอนที่มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกกับการศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือศึกษาจากพระ อ, อริยสงสาวก พราะท่านสามารถที่จะชี้แจงเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ท่านสามารถตอบปัญหาที่เราคล้องใจอยู่ได้ถ้าเราอา่านหนังสือเราเกิดความคล้องใจขึ้นมาเราจะไม่รู้ว่าจะไปถามใครก็ต้องค้นคว้าอา่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นและค้นคว้าเมื่อเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะไปเจอคําถาม ความที่เราไม่เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกก็ได้ก็อาจจะทำให้เราหมดกำลังใจที่จะศึกษาจากพะ่ะไตปิดกันแต่ถ้าเราเข้าหาผู้ที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านจะสอนแบบง่ายๆให้เราฟังแล้วเข้าใจสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้ทันทีเลย เพราะว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรเลยเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะสนใจศึกษาหรือไม่เราจะเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเรามีความสนใจมีความยินดีที่จะศึกษาและเรามีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว พอเราฟังเราก็จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ทันทีเลยแล้วเราก็จะได้รับผลทันทีเลยเพราะว่าธรรมนนี้เป็นสันทิทธิโกผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองเป็นกอาการลิโกก็คือไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกับเวลาแต่ขึ้นอยู่กับการศึกษากับการปฏิบัติ ถ้าที่ไหนมีการศึกษามีการปฏิบัติผลก็จะปรากฏให้เห็นได้ทันทีทันใดเลยไม่ได้ขึ้นกับเวลาเช่นคนบางคนอาจจะคิดว่าการปฏิบัติทำการศึกษาธทมนี้จะได้ผลก็เฉพาะในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่เท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วต่อให้ศึกษาให้ปฏิบัติไปอย่างไร ก็จะไม่มีวันที่จะบรรลุผลได้เลยนี่เป็นความเข้าใจผิดเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าคําสอนของตถาคตนี้เป็นอากาลิโกไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดสภาพไปอยู่ที่ว่าผู้ปฏิบัติผู้ศึกษาจะน้อมนำเอาไปปฏิบัติหรือไม่เท่านั้น ถ้านำเอาไปปฏิบัติผลก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะการปฏิบัตินี้แหละที่เรียกว่าเป็นเหตุที่จะทำให้ผลคือมรรคผลนิพพานให้การดับทุกข์ให้การยุติของการเวียนว่ายตายเกิดเกิดขึ้นมาได้นี่เองไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ที่เราสวดกันอยู่อย่างต่อเนื่องก็คือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนแปลว่าอะไรสุปฏิปันโนก็คือปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนก็คือปฏิบัติตรงตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า ยายปฏิปันโนก็คือปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกขสามีจิปฏิปันโนแปลว่าปฏิบัติอย่างถูกต้องปฏิบัติแบบไม่ผิดนั่นเองนี่คือการปฏิบัติสลักษณะด้วยกันที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ สุปฏิปันโนเรียกว่าปฏิบัติดีนี้หมายความว่าอย่างไรถ้าเป็นนักเรียนก็เหมือนนักเรียนที่เรียนดีสอบทีไรก็ได้เต็มร้อยได้เกรด4ี่จุดทุกเทอมทุกปีอย่างนี้ถึงเรียกว่าเรียนดีสุปฏิบันโนก็แบบเดียวกันเวลาสอบก็สอบได้ทุกครั้งไม่มีวันที่จะสอบตก พอมีความตั้งใจที่จะเล่าเรียนอย่างเต็มที่ถึงเวลาเข้าห้องเรียนก็เข้าห้องเรียนถึงเวลาทำการบ้านก็ทำการบ้านถึงเวลาสอบก็สอบได้เต็มร้อยอย่างนี้เรียกว่าสุปฏิปโ น, โนคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีก็คือมีหน้าที่อะไรที่จะต้องทำก็ทำอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง ไม่ละเว้ไม่มีวันขาดเช่นถ้าเป็นพระเป็นนักบวชพระพุทธเจ้าบอกให้ออกบินทบาศก็จะออกบินทบาตบอกให้ฉันมื้อเดียวก็ฉันมื้อเดียวบอกให้ฉันในบาทก็ฉันในบาทบอกให้อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามป่าตามเขาก็จะอยู่ตามป่าตามเขาไม่ใช่บอกให้บินทบาทก็ไม่บินทบาต บอกให้ฉันมือเดียวก็ไม่ฉันมือเดียวบอกให้ฉันในบาตก็ไม่ฉันในบาทบอกให้อยู่ตามป่าตามเขาก็ไม่อยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ตามบ้านตามเมืองอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่เป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัตบิตรงก็คือตรงต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการ ไม่มียกเว้นเช่นสมัยนี้จะมีการพูดกันว่าการปฏิบัตินี้ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ให้เจริญปัญญาเลยก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าไม่ปฏิบัติตองต่อคำสอนแล้วเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องมีศีลต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาถึงจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะเหตุใดถึงต้องมี ศีลมีสมาธิมีปัญญาก็เพราะว่าศีลสมาธิปัญญานี้เป็นระดับของการศึกษาของการปฏิบัตินั่นเองเหมือนกับเราเรียนหนังสือเราเริ่มต้นที่อนุบาลก่อนแล้วเราค่อยเข้าสู่ขั้นปฐมเข้าสู่ขั้นมัธยมและขั้นอุดมศึกษาตามลําดับถึงจะรับปริญญาตรีโทเอกได้ฉันใด การศึกษาการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาก็มีขั้นเหมือนกันขั้นแรกท่านเรียกว่าทานคือต้องทำทานต้องเสียสละก่อนถึงจะรักษาศีลได้รักษาศีลได้แล้วถึงจะฝึกฝนนั่งสมาธิได้พอนั่งสมาธิได้แล้วถึงจะศึกษาจเจริญวิปัสสนาจเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นอริยสัจได เมื่อมีอริยสัจเอ็นอริยสัจแล้วก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้จะบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆได้อันนี้เป็นขั้นตอนที่พูะเจ้าได้ทรงวางไว้ถ้าผู้ใดคิดจ ะ, ะข้ามขั้นแล้วรับรองได้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเหมือนกับผู้ที่จะเข้าโรงเรียน แทนที่จะเข้าอนุบาลก็ขอเข้าชั้นมัธยมเลยไปเรียนมัธยมแล้วเราจะเรียนรู้เรื่องหรือเปล่าเราจะเรียยสู้คนอื่นเขาได้หรือเปล่าอาจจะมีคนบางคนที่เราเรียกว่าอัจฉริยะอันนี้เป็นกรณียกเว้นนานๆจะมีสักคนหนึ่งที่ฉลาดมากสามารถเรียนจบระดับปริญญาได้ในขณะที่มีอายุเพียงสิบขวบก็มี แต่แบบนี้เป็นข้อยกเว้นไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องที่ทุกคนจะสามารถทำกันได้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้านี้ทำได้เช่นพระพุทธเจ้าเวลาเกิดมานี้ก็เดินได้เจ็ดเก้าเลยคนอื่นนี้เกิดมานี้ยังเดินไม่ได้ยังต้องนอนไปกอนเพราะบรารมีไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าได้สะสมบุญบรารมีมาอย่างมากมายอย่างโชคโชน มีสติปัญญาที่พร้อมอยู่ภายในใจพอเกิดออกมาก็มีพลังจิตที่สั่งให้ร่างกายนี้เดินได้เลยนี่คือเรื่องของการปฏิบัติตรงต่อคาสอนของพระพุทธเจ้าต้องทําตามทุกข้อตามที่พระเจ้าทรงสอนไวสอนให้ทาทานก่อนก็ต้องทาเพราะถ้าเรายังตนียังหวงทรัพย์สมบัต ยังติดอยู่กับทรัพย์สมบัติยังอยากใช้ทรัพย์สมบัติซื้อความสุขต่างๆอยู่เราจะออกบวชไม่ได้ถ้าเราออกบวชไม่ได้เราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ได้เราจะไม่มีเวลานั่งสมาธิได้เราจะไม่มีไม่มีโอกาสที่จะเจริญปัญญาได้แต่ถ้าเราทำทานได้อย่างเต็มร้อยคือสละหมดเลย มีข้าวของเงินทองมีสมบัติอะไรก็ยกให้คนอื่นไปออกบวชไปอยู่ตามป่าตามเขากับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศึกษาคำสอนของท่านปฏิบัติตามที่ท่านสอนปฏิบัติตามที่ท่านปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วต้องได้รับผลอย่างแน่นอนได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวนว่าตายเกิดได้อย่างแน่นอน และการได้อยู่กับครูบาอาจารย์ท่านก็จะคอยบอกเราว่าปฏิบัติถูกหรือไม่ปฏิบัติไม่ถูกแต่เราปฏิบัติเองเราจะไปรู้ว่าเราปฏิบัติถูกหรือผิดอย่างไรเราต้องอยู่กับคนที่ปฏิบัติถูกแล้วรู้แล้วว่าการปฏิบัติถูกนั่นเป็นอย่างไรการปฏิบัติผิดนั่นเป็นอย่างไรเราจึงต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ก่อนอย่างน้อยก็ห้พันษาพระพุทธเจ้าทรง บัญญัติไว้ว่าภาพบวชใหม่นี้อยู่ปราศ จ, จากครูบาอาจารย์ไม่ได้ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์หปีด้วยกันเพราะว่าเป็นเหมือนเด็กเพิ่งคลอดออกจากท้องแม่จะไปอยู่คนเดียวได้อย่างไรถ้าอยู่คนเดียวเด็กที่คลอดออกมาเราปล่อยให้อยู่คนเดียวผลจะเป็นอย่างไรก็อดตายเท่านั้นจะไม่รู้จักวิธีดูแลรักษาตัวเองคนที่บวชใหม่ก็เหมือนกัน บทไหนแต่ยังไม่รู้ว่าวิถีชีวิตของพระอยู่กันอย่างไรหากินอย่างไรปฏิบัติกันอย่างไรจึงต้องมีครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนเป็นเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงมักถูกเรียกว่าเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ภาพปฏิบัตินี้จะเรียกครูบาอาจารย์ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ผู้ที่จะคอยเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน ให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองพอเราได้อยู่กับครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็จะได้หลุดพ้นได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นําเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้รับผล ก็คือได้ดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไววเพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันกในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย